50 l a ส g u a g e s ันธานซ้อนสันธานสการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป เรือสั่งลิ้วส์ค u ยต์ i ิยัลท์คอร์มอฟรถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไปตโรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไป ฮ็อ l เทล l ์ t ี่ด t วยสติมุก i าอฟคุ a ด k ลียัลต a ไคลลิสเขานั่งรถเม o ์หรือไม่ก็นั่งรถไฟตาต t a ับก็สปุชิวิร i กีก็ตา u ุลก็ปุชิวิรงกีก็เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้าตาตุลับก็แต่นาอุ่นตุลไว้หอมแม่ราห์หอมม Ta t ต l e b kas täna õhtul v ห i h o ม m ม้ว่าเรา m ่มไม่กุลเขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรมตัวแอล i ์กส์เมลหรือฮติเธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษอรกนีปอ เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอนตอนนี้เอยู่ที่มาด s ิด i ี่คุยลอนดอนอีส์ตอนนี้าอยู่ที่มาที่ดเธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษตอนนีเขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังข hmm, ี้เกียจอีกด้วยตายอเลมิตต์อายน์ทรูมอลไวต์ a าไลส์กตายอเลมิตต์อเธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวแต่ยังฉลาดอีกด้วยเเธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยต่ายแรกเยอี ult ซ็อก a วายต์ a ับพร้นสุสต์แรกยนอซอกสวากับพร้นสุสเกตดฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ม่ร o s k a m เหมือ a กับไอ้ e ลาวเม่รู้สมือนกลวรกกตดฉัน เนไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้าไม่รู้จะเ n ้นสิ e าเอวัลสซมบัตไม่รู้จะเ i ้นสิดเอลสี a อกซ t มบัตดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่เลยเมื่อตีเอเยอเปอร์เอกาพาเล็ตยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นมิตาคีเรมินิสะเตยทัดเศตาวาเอมสอดไวลมิสมิาีเรมินิสเตัดเศตาวาเมสอดไวลมิสยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้นมิตาวาเอมสอทุเลตเศตาวาเอมสอดกามินนามิตาวาเมสอทุเลเศตาวารเมสอดกามินนาคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียดคร้านขึ้นเท่านั้นมี t ต่วานมักรีเอตักเซเซตามุกาวามักร์มินักเซมีต่วานมักร e เอตักเซเซามกาวามักร์มินักเซ